สาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายและบรรดาเพื่อนพิสุทธ์สมณีนนทั้งหลายเวลานี้เป็นเวลาที่ถึงการเจริญพระกรรมฐานสำหรับวันนี้ก็จะขอพูดในด้านของวิปัสสนาญาณเพราะว่า ในอนาปาลุสติกรมาธานนี่พูดกันมาถึงด้านสมถะภาวนาพอสมควรถ้าจะถามว่าพูดจบแล้วหรือยังก็ต้องตอบว่าพูดมันไม่จบถ้าอยากจะให้จบในอนาปาลุสติกมาธานเราก็ต้องพูดกันัึงยันตายมันก็ไม่จบ เป็นอันว่าขอธิบายเฉพาะหลักใหญ่ๆเขไว้นอกจากนั้นขอให้ท่านหลายใช้ปัญญาพิจารณาเองด้วยเพราะว่าการปฏิบัติไม่ว่ากรรมฐานกองใดทั้งหมดอุปสรรคทางจิตย่อมปรากฏขึ้นมีขึ้นเสมอแต่อุปสรรคใดๆเมื่อเกิดขึ้นจากอารมณ์ก็ดี หรือว่าจากทางกายก็ดีถ้าเราไม่ยอมแพ้ี่อย่างเดียวเราก็ชนะอุปัรรศัต่างๆมันจะมีขึ้นได้เพนก็ต้องสลายตัวได้เหมือนกันต้องถือว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาทุกอย่างถ้าเราจิตเข้าไปจับธรรมดาี่อย่างเดียวจิตมันก็มีความสุข การเจริญเพื่อกรรมาฐานความมุ่งหมายพระองค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าก็คือต้องการให้มีความสุขต่อ น, นี้ไ ป, ปรปยะขอนนำเอาได้เขาวิปัสสนาญาณมาแนะนำกับบรรดาท่านหลายพอสมควรแกติยาใสได้ตามเวลา เรื่องในด้านมิปรสนายานนี่เราจะพูดกันไปหลายชีวิตมันก็ไม่จบหมายความว่าพูดแล้วแล้วก็ตายไปพูดตายแล้วก็เกิดใหม่เกิดใหม่แล้วก็พูดใหม่พูดใหม่ตายไปใหม่ไม่ก็ไม่จบถ้าจะพูดให้จบได้เมื่อไรต่อเมื่อเป็นท่านนั้นหลายถึงอรหัตผล ถ้าทุกคนถึงอรหัตตาผลใชอหมดตอนนั้นวิปัสนายานจบจบเพราะอะไรจบเพราะท่านถึงแล้วท่านมีความเข้าใจสำหรับด้านวิปัสนายา น, นี่มีวิธีปฏิบัติทั้งสี่แบบด้วยกันนั่นก็คือหนึ่งสุขวิปัสสโกสองเตวิโชสามฉลฟิญโย สี่ปริสัมวิทัปปโตการดนินบายในการเจริญสมาธิเป็นพื้นฐานของวิปัสสนาญาณที่พูดมาแล้วนั้นเป็นความมุ่งหมายให้เข้าถึงวิชาสามอภิญญาหกหรือปริสัมวิทายานเป็นสำคัญจะนั้นเวลาเมื่อท่า น, น, นหลายรับฟังแล้วก็รู้สึกว่ามันหนักมาก รู้สึกว่าหนักใจจริงๆ จ, จะทําได้หรือไม่ได้เรื่องแบบในตอนต้นในด้านวิปัสนาญาณ น, นี้ผมจะขอพูดด้านสุขวิปัสสโกก่อนความจริงสุขวิปัสสโกแปลว่าเป็นผู้รู้แจง้งเห็นจริงในความน่ายความสุขรละแบบสบายสุขนั่นแปลว่าสบายเขาเรียกว่าทําแบบสบายสบาย การทำแบบสบายๆนี่ก็ทำแบบนี้ช mm hmm. ื่อว่าเราใช้อารมณ์สมาธิควบคูบก่กันไปกับการพิจารณาวิปัสนาคำว่าใช้สมาธิคู่กันไปนี่บางท่านท่านบอกว่าสุขาวิปัสสโกไม่ต้องใช้สมถะเลยใช้แต่วิปัสนาญาณตัวเดียวอันนี้ผิด ถ้าพูดอย่างนั้นก็แสดงว่าท่านผู้พูดไม่ได้อะไรเลยความจริงศีลก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาคนดีสามราการนี้จะแยกกันไม่ได้นักเจริญพระกรรฐานรับตั้งแต่เริ่มเข้าคณิกะสมาธิเป็นต้นมาจะต้องเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์อยู่เสมอ ไม่ใช่ว่าจะต้อ ง, องนั่งสมาทานให้พระนำกันคนที่ยังติดพระนำแล้วจะมีศีลก็นแสดงว่าครูคนนั้นไม่มีศีลเลยศีลมันอยู่ที่ใจคือความงดเว้นเท่านั้นถ้าเราสามารถงดเว้นปัญจเว้นห้าบรการหรือว่าสิขาบทแปดประการที่เรียกว่าศีลห้าหรือศีลแปด เราไม่ละเมื่ิดศ็จแล้วก็ชื่อว่าเราเป็นผู้มีศีลไม่ต้องรอให้พระให้แต่ความจริงพระธำไม่ได้ให้ท่านให้การศึกษาเท่านั้นเป็นนั้นว่านะักเจริญพระกรรมฐานแยกก้าวเข้าไปสู่ความเป็นผู้ทรงฌานก็ดีจะเป็นพระอริยเจ้าก็ดีท่านจะบกกร่องในศีลไม่ได้ แต่ขนะใดเชื่อมเชื่อมที่ว่าท่านเป็นผู้บกพร่องในศีลก็สแสดงว่าท่านเอาดีไม่ได้เลยทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าศีลบกพร่องก็สแสดงว่าเราตายแล้วต้องไปเกิดในอบายภูมิแล้วก็จะเป็นผู้ทรงฌานเกิดเป็นพรหมหรือว่าเป็นผู้ทรงอุปจารสมาธิคติกาสมาธิเกิดเป็นเทวดา หรือตากินเลสไปสมุทรเื่อหารปนิผธานจะไปได้ยังไงในเมื่อสิ่งข้าเราบกพร่องเราต้องเป็นสัตว์ในอบายภูมิเจนันขอท่านหลายจงสังวรเรื่องสินให้มากคำว่าสังวรในแปลว่าระวังอันดับแรกต้องมีสินบริสุทธิ์เสียก่อน ไม่ใช่บริสุทธิ์เฉพาะเวลาที่สมาทานประกมฐานให้สินมันบริสุทธิ์ทุกลมให้ใจเข้าออกถ้าสินของท่านบริสุทธิ์ทุกลมให้ใจเข้าออกการเจริญสมาธิก็เป็นของง่ายเพราะสินจะมีขึ้นได้เพราะใสเมตตาความรักซึ่งกันและกันกรุณาความสงสารซึ่งกันและกัน คนที่มีจิตเมตตาความรักกรุณาความสงสารอารมณ์เย็นจิตมีความเยือกเย็นความฟุ้งซ่านของจิตไม่มีความเร่าร้อนของจิตไม่มีอารมณ์ก็สบายในเมื่ออารมณ์สบายมีความเ ย, ยือกเย็นจิตก็ทรงสมาธิได้ดีเพื่อการจองร่างจองฝังคิดประหัตประหารสิ่งกันเลยกัน ด้ยวยความโลภโมโทสัน์อยากได้ทรัพย์ของุคลอื่นการที่จะละเมิดความรักหรือการยมุสาวาดดมสุราม่ไรไม่มีในเมื่ออาการห้าอย่างนี้ไม่มีแล้วจิตก็มีความสบายมีอารมณ์เป็นสุขอันดับแรกปรับปรุงศีลให้ดีเมื่อปรับปรุงศีลดีแล้วสมาธิก็ทรงตัว เมื่อสมาี่ส่งตัวปัญญามันก็เกิดอันนี้เป็นพื้นฐานให่งการเจริญฌานและวิปัสสนาญาณสําำหรับด้านวิปัสสนาญาณในด้านสุขวิปัสสโกยังไงยังไงท่านก็อย่าลืมทิ้งอนาปานุสติกรรมฐานจำไว้ให้ดีว่าจะทำกรรมฐานกองต่อๆไปก็ดี นรือว่าจะเจริญวิปัสสนาญาณก็ดีท่านจะทิ้งอาณาปานุสติกรรมฐานไม่ได้ถ้าท่านทิ้งอาณาปานุสติกามฐานกรมฐานเมื่อไหร่กรมฐานกองอื่นมิปัสสนาญาณที่จะทําก็พังหมดอาณาปานุสติกรมฐานมีอุปมาเหมือนกับพืนบ้นแผ่นดิน อารมณ์จิตที่จะทรงเป็นสมาธิหรือปัญญาจะเกิดเหมือนกับเราตัวเราซึ่งยืนอยู่ยืนอยู่บนแผ่นดินถ้าเราไม่มีแผ่นดินเราจะยืนที่ไหนจะก้าวไปข้า น, น้าจะถอยไปข้างหลังจะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินไม่มีที่เพราะมันไม่มีแผ่นดินจำไว้ดีว่าอนาปานุสติกรรมฐานนี้ทิ้งไม่ได้ นีกการรงส่งศัสนาอนาปาโนสติกรรมฐานในด้านสุขะรสโกเขาทากันไม่ยากเขาทําง่ายๆคือโดยไม่ต้องไปคิดถึงอนาปาโนสติกรรมฐานก็ได้พยายามส่งจิตให้ทําจิตให้ส่งตัวควบคุมกําลังจิต่อนข้างให้อยู่ในขอบเขตเขามิปัสนายาน วิปรสนายานที่ผมอยากจะพูดกับท่านวันนี้จะวิปสัสนาญาณเก้ามาพูดแต่ขอพูดสองอย่างเพราะว่าวิปสัสนาญาณเก้านี่ผมทำสองอย่างเท่านั้นอีเจ็ดอย่างไม่มีความหมายอีเจ็ดอย่างก็เดินก็มาหาสองอย่าง สองอย่างก็คือหนึ่งนิพพิทายานความเบื่อหน่ายในขันห้าเนสังขาโรปิคา ย, ยานวางเฉยแน่มต่างๆที่จะเพิ่งเกิดขึ้นหรือว่าอาการต่างๆที่จะเพิ่งเกิดขึ้นกับใจก็ดีกับขันห้าก็ดีถ้าได้สองตัวนี้ก็ชื่อวยจบพิปัสนาญาณเก้า ไม่ต้องไปนั่งไลเ่เบี้ยนับบันไดมีอีกขั้นถ้ามันยุ่งไ ป, ปเปล่าๆจะไปทำตนอย่างนักวิชาการน่ะแม้สับแสงไม่เก่งกันจริงๆไล่โยน้นอน อ, อ, อย่างนี้ไปอย่านี้ไปอย่างนไาง น, นไล่เดีย๋ยวพ้นที่สุดไม่ได้อะไรเลยก็ทำไปอย่างนกแก้วนกคุนทองจะได้ประโยชน์อะไร เขาทำอย่างนี้คือว่าควบคุมกำลังใจของเราในด้านนิพพายายพิจนาดูร่างกายของเราก็ดีร่างกายของบุคนอื่นก็ดีร่างกายของสัตว์ก็ดีแล้วก็วัตถุธาตุทั้งหลายในโลกก็ดีทั้งหมดว่ามันไม่มีดีตามความเป็นจริง มีปรสนานี่เขาเอาจิตเข้าไปจับหาความเป็นจริงกันไม่ได้ฝืนความจริงความเป็นจริงมันเป็นยังไงร่างกายของเรามันไม่มีการทรงตัวเกิดเกินมาแล้วมันก็เสื่อมไปทุกวันทุกวันเป็นเด็กแลมันก็คลานเข้ามาหาความเป็นหนุ่มเป็นสาว พาเป็นหนุ่มเป็นสาวแม้กร่งคลานไปหาความเป็นคนแก่ถึงความเป็นคนแก่แม้กระทั่คลานไปหาความตายน่ารักไหมเราจะรักสาวสักคนเราจะรักหนุ่มสักคนเราก็ดูอีตอนนี้เขาเป็นหนุ่มเป็นสาวเราไม่ต้องเราไม่เคยจะนึกถึงว่าคนที่เคยเป็นหนุ่มเป็นสาวมาก่อนแต่ว่าเวลานี้แก่แล้ว สมัยสมัยที่เขาเป็นหนุ่มเป็นสาวเขาก็สวยสดสวยงามเอตอนแก่แล้วเราไม่มองทำไมจึงไม่มองเพราะเราืิอว่าไม่สวยไม่ดีไม่เป็นที่ถกใจเราก็ไปนั่งคิดว่าร่างกายของไข่ล่ะมันจะทรงความงามเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่ตลอดเวลา เราก็เหมือนกันเขาก็เหมือนกันวัตถุธาตุต่างๆก็เหมือนกันบ้านเรือนโรงต่างๆอาคารสถานที่อย่างที่วัดควกเรานี้ใครมาเขาก็บอกว่าสวยอรารามไปหมดเนื้อท่านคิดดูว่ามันยะาสวยอย่างนี้ตลอดกาลตลอดสมัยอีกไม่นานสองสามปีความเศร้าหมองมันก็จะปรากฏชัด นี่สภาพของวัตถุธาตุมันก็เป็นอย่างนี้คนก็เป็นอย่างนี้ในคําหลับร่างกายของคนนอกจากัยาโรมแล้วมันก็สร้างความยุ่งต้องกินต้องรักษาโรคต้องทายุจาระปัสสาวะยุ่งไปหมดคิดเอาเองจะไม่ให้นั่งพิจรารณาไาทำนายอยู่เลยมันเสียเวลา มองดูให้ดีว่าร่างกายของเราก็ดีร่างกายเขาคนอื่นก็ดีมันสกปรกหรือสะอาดมันมีสุขหรือว่ามันมีทุกข์ความหิวเป็นสุขหรือเป็นทุกข์การปวดอุจจาระเป็นสุขหรือเป็นทุกข์หนาวเกินไปร้อนเกินไปเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ความป่วยไข้ไมส่สบายเกิดขึ้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ การต้องแสวงหาอาชีพทำมาหากินเป็นสุขหรือเป็นทุกข์การพัดพระจากของรักของชอบใจเป็นสุขหรือเป็นทุกข์การกระทบกระทั่งกับวาจาที่เป็นไม่ถูกใจอาการนี้ก็ทำขึ้นมาเป็นที่ไม่ถูกใจเราเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ถ้าเราไม่บ้าสิอย่างเดียวแล้วก็ ต, อต้องตอบว่ามันทุกทุกอย่าง นั่นในเมื่อมันทุกทุกอย่างเราจะเมามันเพื่อประโยชน์อะไรน่ารักตรงไหนล่ะมองดูแล้วร่างกายมันเป็นศัตรูตัวสำคัญถ้าเรก่อติดมันเข้าไรเราก็จะมีอาการแต่ความทุกข์นี่อารมณ์นิปิทา ย, ยานเขามองกันอย่างนี้ไม่ต้องไปนั่งหลับตาปี เดินไปเดินมาทํางานทําการก็มองดูหาความจริงด้วโอนน์นั่นเป็นปัจจัยของความทุกข์อาการเนหน็ดเหนื่อยอันนี้เกิดขึ้นมันก็เป็นปัจจัยของความทุกข์ถ้าเราไม่มีร่างกายที่อย่างเดียวมันจะสุขแล้วมันจะทุกข์เมื่อเราไปติดพันร่างกายเขาบอกคนอื่นเขาเ้าเข้าเมื่อเราไปดึงเอาสุขมาแล้วเราดึงเอาทุกข์มา เราทุกเขาก็ทุกไม่ใช่ทุกแต่เพียงแบกภาระเรียงกันเท่านั้นยังทุกขในสักนะที่อารมณ์ไม่ตรงกันอีกด้วยในเมื่อรู้ว่าสภาพของร่างกายและวัตถุธาตุทั้งหมดในโลกมันเป็นของไม่ดีเราก็สร้างอารมณ์ความเบือ่อเบื่อที่ไม่ต้องการจะมีร่างกายอย่างนี้อีก วิธีปฏิบัติในสมัยก่อนผมจเจริญนิพพิทายานนี่ต้องขออภัยนะอย่าคิดว่าผมอดเอาเพียงเพียงว่าผมทำมาก่อนผมทำแบบนี้เห็นคนทุกคนเมื่อคุยกันผมถามว่าเขาสุขหรือเขาทุกข์ถามว่าเคยป่วยไข้มาสบายไหม เขาบอกว่าแย่จบค่ะแย่เขารับป่วยโน่นป่วยนี่เราเนี่ยเป็นทุกข์แล้วตัวเงคนแต่งตัวสวยๆ ย, ยิ่งเป็นสาวเป็นหนุ่มก็ตามผมจะถามทันทีว่าอาการไข้ยอย่างนั้นอย่างนี้มันมีกับคุณบ้างไหมเขาตอบว่ามีถามว่าอารมณ์ต่างๆที่มันกระทบกระทั่งคุณให้เกิดความคลุ่มมีบ้างไหม ถามทั้งร้อยทั้งพันกี่หมื่นกี่แสนคนตอบว่ามีทุกคนในเมื่อบรรคเขารู้ว่ารโรคต่างะรๆโรคต่างๆของเขาไมีอาการความเป็นทุกข์ของเขามีอารมณ์ที่ไม่มีการทรงตัวคือไม่ประกอบพุทธธรรมไม่มีความสุขเขามีเราปรารถนาก็เพื่ออะไรเป็นอันว่าเราก็วางเฉยไปเสีย ตอนวางเฉยเท่าไงคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกร่างกายของเขาคนดีร่างกายของเราก็ดีวัตถุธาตุทั้งหลายอื่นก็ดีมันเป็นปัจจัยของความทุกข์ความสุขมันอยู่ที่ไหนความสุขมันอยู่ที่เราจะเข้าพุนิพันธ์นี่ผมขอพูดย่อๆอารมณ์ที่ทํานี่ไม่ใช่ต้องหลั่งหลับตา ท่านเดินไปเดินมานั่งทำอะไรอยู่นอนอยู่ยืนอยู่แล้วก็เดินอยู่ทำอะไรก็ตามมองดูสภาพของความจริงเห็นต้นหญ้าที่มันร่วงโรยลงไปก็คิดว่าโอนหนาะชีวิตของคนเราก็เป็นแบบนี้เหมือนกันก็คิดมันวนไปวนมาเนี่ะถอนกำลังใจให้มันติด คือว่ า, าการอย่างนั้นเกิดขึ้นเราเห็นอะไรขึ้นถ้าอาการของความทุกข์เกิดขึ้นความขัดข้องเกิดขึ้นเราก็เฉยที่เรียกว่าสังขารูปเปรียขายานมันอะไรจะมาก็ช่างมันมันจะแก่ก็เฉยแก่ใจสบายสบายที่ว่าหนีความแก่ไม่ได้ ถ้าความป่วยไข้ไม่สบายเกิดขึ้นทุกเวทนามันมีเราก็ต้องรักษาใจเราก็เฉยรักษาหายก็หายไม่หายก็สั่งมันอยากจะตายเมื่อไรก็เฉยเกิดมาเพื่อตายใครเขาด่าใครเขานินทา่าเราก็เฉยเขามีปากสําหรับดา่าเขามีปากสําหรับนินทามันเรื่องของเขา ใครเขาจะชมใครเขาจะสรรเสริเราก็เฉยไอ้ั้นชมกันรรเสริก็ดีการด่าการนินทาก็ดีเราไม่ได้เป็นไปตามปากของเขาเราจะดีหรือจะชั่วมันอยู่ที่กําลังใจของเราเท่านั้นรวบรวมกาลังใจไว้อย่างนี้เนี่ยครับเราก็เฉ ย, ยต่อาการทั้งหมด หนุม่มก็เฉยไม่ดีใจในความเป็นหนุม่มแก่ก็เฉยไม่เสียใจในความเปน็นเป็นคนแก่มันจะตายก็เฉยเพราะว่าเราจะต้องตายตายแล้วไปไหนเราภูมิใจได้ว่าตายแล้วเราไปนิพพานท่านี้การเจริญมิปัสน า, ายานั้นแท้คิดจนสรงเด็ชแบบนี้ไอคิดแบบนี้นะคิดดี แต่คิดไม่มีจุดหมายปลายทางนี่มันแย่เหมือนกับเครื่องบินที่ร่อนนาอากาศแต่หาจุดลงไม่ได้ถ้ามันลงไม่ได้มันก็เสร็จบินไปบินมาน้ำมันหมดร่วงมาตายทั้งคนทั้งเครื่องข้อนี้มีประมาณชั้นใดนักเจริญพระกรรมฐานก็เหมือนกัน นักเจริญพระกรมฐานที่เอาดีไม่ได้เพราะไม่มีจุดลงจุดลงนันดับแรกก่อนที่เราจะเริ่มจับวิปัสนาญาณอย่าลืมนะขั้นสุขาวิปัสสโกนี่จะนั่งสมาธิหลับตาปีจะไม่นั่งไม่สำคัญคุมอารมณ์พิจารณาอย่างนี้ไว้นั้นแบบสบายสบาย จุดที่เราจะจับเป็นหัวหัดอันดับแรกก็คือพระโสดาบันนี่การเจริญสมาธิมิปเสนนาเนี่ยเขาทำกันแบบนี้มันถึงจะถึงเร็วอย่าทำเ ป, ปะ ป, ปะเ ป, ปะปะเปะปะส่งเดชไปมันไม่ได้อะไรหรอกดีไม่ดีเดินไปไม่รู้ถาานนมาอยู่ที่ไหนลนโครงครามมาแข่งหาหักหมด เขาก็ต้องจับจุดถ้าเจริญสมถะต้องจับอารมณ์ฌานเจริญมิปัสนาญานต้องจับอารมณ์พระโสดาบันไว้ก่อนแล้วก็นั่งดูพระโสดาบันมีอะไรพระโสดาบันมีหนึ่งสกาญทติทิการพิจารณารู้สภาพร่างกายของเรามันต้องตายแน่ มันไม่อยู่ตลอดการตลอดสมัยมันทังมีจิกิจฉามั่นใจในคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าไม่สงสัยแต่ว่าการที่ไม่สงสัยนี่ต้องใช้ปัญญาสีรพตาปรามาตเป็นผู้มีศีลบริสุทธ์สำหรับครวัว่เขามีศีลห้าบริสุทธ เมดมีสินสิทธิบริสุทธิ์พระมีสินสร้อยยี่สิบเจ็ดบริสุทธิ์ก็เท่านี้ไม่จะมีอะไรเป็นนั้นว่าเราใช้กำลังใจอยู่ในขอบเขตสั้นๆเมื่อหนึ่งเราคิดถึงความตายเป็นอารมณ์อารมณ์ของจิตเราหนี่เรากาะติดอะไรหนอก็ติดกาย จิกกายกายมันไม่ทรงตัวติดทำไมแล้วก็เกาะติดเซกกายะทิธิเอาจิตพิจารณาดูว่าเราคนดีคนอื่นคนดีในโลกนี้สัตว์ทั้งหมดตายหมดวัตถุธาตุบ้านเรือนโรงมันก็พังไปในที่สุดเราจะเมามันในชีวิตเพื่อประโยชน์อะไร การที่สององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดญญาทรงแนะนําเราให้เป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์การที่มีศีลบริสุทธิ์นี่เป็นการกําจัดความเดือดร้อนของจิตและของกายจะไปที่ไหนก็ย่อมเป็นที่รักของบุคคลผู้ประสบพบเห็นศีนลแต่กล่าวว่า หนึ่งกิติสะโถคนที่มีศีลบริสุทธิ์เนี่ยมีชื่อเสียงพุ่งขึ้นจรรไปชื่อดีเสียงงามแม้แต่คนเขาไม่เคยเห็นตัวเขาได้ยินแต่ชื่อเขายังรักเขายังชอบกลิ่งเขาศินลอยทนลมได้ไม่เหมือนกลิ่งเขาน้ําหอมคนที่มีศีลบริสุทธิ์จะหอมทั้งใต้ลมแล้วก็หอมทั้งเหนือลม ที่ว่าหอมก็เพราะหอมในความดีไม่ใช่หอมตัวตัวนั่นไม่หอมแน่นี่ในเมื่อเราเห็นว่าศินดีก็ส่งศินให้บริสุทธิ์ประมัตต ว, วังอยู่ในศินถ้าหาก ว, ว่าเราคิดไว้เสมอว่าไม่ลืมชีวิตว่าเราจะตายเราจะตายก็ตายสิใช้ขอติดเกาะติดศิน อย่างกับพวกอะไรนอที่เขาสอนกันเขาหนึ่งเกาะติดปชาชนสองเกาะติดพื้นที่สามเกาะติดแนวรบถ้าเกาะติดสามติดเราจะชนะเราก็เหมือนกันหนึ่งเกาะติดสกายทิธิไม่ลืมว่าร่างกายนี้มันจะตาย มีความรู้สึกว่าร่างกายของเราคนดีร่างกายเขาคนอื่นคนดีวัตถุธาตุคนดีพังแน่เราไม่ขอเถือร่างกายของเราร่างกายของเขาวัตถุธาตุทั้งหมดเป็นสรณะเป็นที่พึงเราอย่าขอเอาพระนิพพานเป็นที่พึงราการที่สองเกาะติดคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยใช้ปัญญาพิจนารณาแล้วเห็นนะองค์สมเด็จพระบทัทฑิตแพ้วสอนถูกสอนตรงเรามีความประสงค์จะสงอารมณ์ไว้ในคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัพพุทธเจ้า้วยการที่สามเราเกาะติดสินนักษารมสินให้บริสุทธิ์ตลอดเวลาใจเราไม่ว่างจากสิน ราการที่สีจิตรักพระนิพพานเป็นอารมณ์ใต้จิตที่เรามีการรักพระนิพพานเป็นอารมณ์จริงๆเราว่ายังไงยัางไรใจแล้วก็ตั้งไว้เพื่อพระนิพพานไม่ลืมความตายไม่เมาในชีวิตไม่มีจิตสงสัยในคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีศีลวัยสุดมีพระนิพพานเป็นอารมณ์ อย่างนี้ท่านเรียกว่าโคตรภูยาณเป็นจุดที่อยู่ช่วงระหว่างพระโสนดากับพระโซดากับโลกิยะโลกยะฌานกับโลกุตรฌานแต่ว่าใจของเราก้าวไปนิจเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นมานี้เป็นเรื่องของธรรมดาความมันไหวในคำนินทาน้อยไป ความดีใจในคําหรังสือน้อยไปความสุขใจเกิดขึ้นคิดว่าเรามีพระนิพพานเป็นที่ไปแน่อย่างนี้ท่านเรียกกันว่าพระโสดาบันไม่ยากเลยถ้าจะพูดกั น, นสั่งก็เรียกว่าจิตก็เรามีความเคารพในพระพุทธเจ้ามีความเคารพในประธรรมมีความเคารพในพระอริยสงฆ์ทรงศีลบริสุทธิ์ และก็มีพระนิพพานเป็นอารมณ์เป็นปกติอย่างนี้เรียกกันว่าประสูตามันไม่น้องต้องไปนั่งหลับตาเข้าฌานให้มันลำบากเท่านี้สบายใจแล้วหรื อ, อยังถ้าทุกท่านทำได้อย่างนี้ท่านเรียกกันว่าเป็นพระอริยเจ้าประสูตามันขันสุขวิปัสสโกถ้เาเราสหรับวันนี้ก็หมดเวลาเสร็จแล้วก็ข อ, อยุตติปตะเพียงเท่านี้